ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงพบกับมรนดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> ในตอนท่องเรื่องของพมนาตธาดาบทต่อไปเป็นนั้นว่าเมื่อวันก่อนไม่จบลงที่พระ น, นางรุจาราชคุ ม, มารีได้สดับจากพระพี่เลี้ยงนางนม ว่าพระราชวีดาไม่เอาไหนไปยุ่งกับกามารมเห็นว่าไม่ถูกไม่ต้องจึงได้หาโอกาสเข้ากราบทูลเมื่อได้จังหวะแล้วจึงได้เข้าไปพร้อมกับบรรดาบริวารพระเฝ้าพระราชวิดาเมื่อจบลงตรงนี้วันนี้เขาต่อนิดก็เจ้าเอาพราะในบริวาร น, นะ เมื่อพระราชาเห็นราชกุ ม, มารีคือลูกสาวที่รักเข้ามาแล้วจะในส่ทแตว่านี่โลกรักเจ้ายังคงมีความสุขดีอยู่หรือถ้ามีอะไรบกพร่องบ้างในสิ่งที่เขาปฏิบัติแกเจ้ามีบ้างไหมถ้ามันมีอะไรบกพร่องแล้วก็บอกพ่อนะพ่อมีทุกอย่างที่จยให้โลก สมเด็จพระนางรุจาเยนิกาทธนว่าข้าแต่พระชวิดาผู้ประเสริฐนี่ว่าคุณพ่อที่รักของลูกก็มอมฉันได้รับความสมบูรณ์พสุขทุกสิ่งทุกอย่างพี่เจ้าค่ะที่ม่อมฉันมาวันนี้ตั้งใจจะเฝ้าครันี้ก็เพื่อกราบทูลขอพระราชทานพระราชทรัพย์สักหนึ่งพัน เพื่อไปให้ทันอยางที่เคยทํามาท่านนี้ก็เพราะว่าวันพรุ่ง น, นี้เป็นวันเพ็ญสิบห้าคำพระเจ้าค่ะเป็นวันที่เคยให้ทานเป็นกรณีพิเศษนี่เอาแล้วลูกสาวลูกส า, าเอาเม็ดแยแ่เข้าแล้วถ้าเป็นหมากรุกนะถ้าเป็นหมากรุกก็ถือว่าเอาเม็ดแย่เข้าแล้วแต่ยังไม่รุกขาดพรเดี๋ยวก็โดนรุกขาดเนาว่ากันไป พระราชาพระราชินดา ย, ยินตัดว่าทรัพย์ของพ่อมีอยโู่รูปลูกนำไปใช้ใจ่ายในทางที่ไม่มีประโยชน์ซึเป็นจดดนมากโดยไม่รับผลรปรครื่องตอบแทนเลยนี่เจ้ายัางจะคงอดอาหารในวันโบโสถอยู่อีหรืออ๋อนี่ธนานสาวโบสถทุกวันพระ เมื่อได้บุญมันมันไอ้การอดอาหารหรือว่าการเลี้ยสาวโวสบเป็นลูกมันไม่ได้บุญดอกนั่นลูกนะไอบุญไอฐานมัไม่มีเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นเลิกคิดกันมันไม่มีโลกหน้ามันก็ไม่มีได้การจะลำบากปเปล่าเล่าไอ้ลูกจะทําทไปปันลำบากปเปล่าเปล่านไปมันก็ไม่มีประโยชน์ ในเมื่อบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนาไม่มีคนเราจะทำดีหรือทำชั่วยังไงก็ตามพอถึงแปดสิบสี่กับก็บริสุทธิ์พุดพองนี่นี่เราก็ไม่จังทำให้มัลำบากอาจารย์ท่านบอกมาอย่างนี้นี่ลูกรักเทวดาไม่มีพรมไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนดีบอกว่าไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไม่จริง เป็นเป็นอะไรเ้าเรียกว่าเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าเป็นเป็นอุปาทานหรือเป็นโอภาษเป็นแสงสว่าง น, นี่ลูกรักแกไปเชื่อใครนะมันไม่มีอะไรไปทำให้มันเกิดไม่เกิดประโยชน์เงินทองลมีใช้เป็นประโยชน์ในบ้าน ให้มันมีความสุขตามลำพังตัวดีกว่าจะไปยุ่งกับชาบ้านใครเขาจะอดเขาจะอยากก็อช่างเขาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของลูกสาวนโนูสาวกราบทูลว่าข้าแต่พระราชวิดาบัดนี้ม่อมฉันได้ประจักแล้วว่าผู้ใดคบคนผ่านผู้นั้นก็เป็นผ่านไปด้วย ผ, นะผู้หลงอาศัยคนหลงเชื่อหลงนะผู้หลงอาศัยคนหลงฟังดีนะท่านบอกผู้หลงอาศัยคนหลงจึงหลงยิ่งขึ้นถ้าแต่พระจรีวิดาพระองค์ก็ทรงพระองค์ก็ชื่อว่ามีความหลงมีพระบีชาสามารถ เยลลาดในการรู้อริ ธ, ธรรมแค่ไหนจึงกลับเป็นเช่นคนผ่านให้ผ่านนี่ก็แปลว่างงถ้าคนเราจะบริสุทธิ์ได้เองแล้วคุณนายชีวกก็บทหาผลไม่ได้โอ้ท่านย้อนหน้าฟังว่าคนเราถ้าจะบริสุทธิ์จริงๆก็กตาคุณนายชีวกแกบทก็ไม่มีผลทําไมแกจึงต้องบท ว่าคนส่วนมากไม่รู้อะไรเพราะได้ฟังคำเขาก็นาชีวกก็หลงเชื่องงงายเมื่อเบื้องต้นยึดผิดเสร็จแล้วก็ยากที่จะปลดเรื่องจากหายนะไปได้เหมือนปลาติดเบ็ดยากที่จะดิ้นให้หลุดพ้นไปได้ฉะนั้นแม่ลูกสาวเก่งจริงๆนะลูกสาวท่านเก่ง มายื่นปับนน๊บกายดันแดดเท่าแบบนั้นตอนนี้ก็มาฟังต่อไปท่านก็จะ ต, ต่อว่าขณะที่พระเจ้าพระราชีวิดากําลังทรงดุษฎีอยู่นั้นนะพระนารุจาราชกุมารีจึงสกาทโทูลต่อไปดุษฎีหมายว่ากําลังที่พระพระราชานั่งนิ่งอยู่แบบนั้นอดุษฎีเนี่ยมันนิ่งเงียบ มันจบเรื่องอนนารุจาร์ยังในราชกุ ม, มารียังกราบทูลตอบอยูว่าข้าแต่พระชนกเจ้าบอมฉันอยากจะยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบจะไหวบัณฑิตบางคนในโลกนี้รู้เรื่องในอุปมาเรือพ่อค้าอะไรมัณนดิตบางคนในโลกนี้รู้เรื่องด้วยอุปมากับ เรือพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณย่อมจะจมลงในมหาสมุทรได้ชั้นใดชนผู้สั่งสมบาปไว้แม้จะทีละน้อยละน้อยก็พอจะพอเพียบเข้าก็จะจมลงในนรกได้ฉะนนั้นเหมือนกันเอาแล้วสิมามาเรื่องในรกกันแล้วพระราชาแะไปฟังมามันไม่มี แต่พระราชวินาก็บอกว่ามีเรียกไปแกนสละ ม, มัง้งเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านว่าอย่างไงนี่ใครเป็นคนว่าเนาะท่ากล่าวแต่ว่าข้าแต่พระราชวิดาบุคคลใดครบสัตบุตรมีศีลแล้วมียาสัตว์บุตรไร้ศีลนะบุคคลใดครบสัตบุตรผู้มีศีล หรือว่าคบอสตเวรรษผู้ไร้ศีลบุคคล น, นั้นย่อมเป็นเบตามอำนาจวินิจัยของผู้นั้นผู้นั้นคบคนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นนั้นย่อมติดนิสัยของผู้ที่ตนคบหาสมาคมด้วยเหมือนลูกสอนอาปยาพิษย่อมเปื้อนแหล่งเช่นนั้นนักปราศกลัวแปดเปื้อน จึงไม่คบกับคนชั่วไม่คบกับคนชั่วถ็ถือว่าใบไม้ย่อมมีกลิ่นเหม็นเพราะเอาไปหอปลาเน่าแต่ใบไม้จะมีใบไม้จะมีกลิ่นหอมถ้าเอาไปห่อของหอมการครบกับนักปราชญ์ก็จะทาให้คนนั้นเป็นนักปราชญ์ตาไปด้วยแม่ท่านพูดเพราะพูดสวยจริงๆ ฟังของท่านไปนะถ้าคบกับคนตาบอดเราก็ตาบอดด้วยคบกับคนหุนหนวกเราก็หุนหนกด้วยคบกับคนโง่เราก็โง่ด้วยคบกับคนพานเราก็พันด้วยแล้วคบกับคนดีเราก็ดีด้วยแหมท่านพูดนาวฟังท่านจะได้นาเรื่องราวในอดีตท่านนารุจานิท่านรึกชาติใด เร่งกล่าวว่านาดีตม่อมฉันเกิดเป็นชายเป็นลูกในช่างทองคบคบหาป่าปอบมิตรคือมิตรชั่วคนหนึ่งริงกระทำความชั่วไวมากเที่ยวทำชู้กับปัญญาคนอื่นราวกับว่าจะไม่ตายแต่บาปกรรมยังไม่ให้ใหผลเหมือนไฟที่ เท่านะมันไฟที่เท่าปกปิดไว้มันก็ไฟให้ทานไฟแต่ว่าเวลาไอ้เท่าปกปิดไว้เท่าเสียขี้เ ท, ท, ท่าขี้เท่านี่ล่อเท่าแก่ก็ขี้เท่าปกปิดไว้ต่อมาห ม, ม, ม่อมฉันก็ได้เกิดในตระกูลของเสถีได้คบหากับกัญญาณมิตรกัญญาณมิตรแต่มิตรที่มีความระพฤตดีงามผู้รักดีแล้วก็มีปัญญา เขาได้ชักนำให้มอมฉันทำแต่ประโยชน์แต่ผลนบุญที่ทำไว้ก็ยังไม่ได้ผลเหมือนกับขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ออจุติจากชาติที่เป็นบทของเศรษฐีฟังท่านเจ้า บ, บาปกรรมที่ทำไว้ในชาติที่เป็นบทของนายช่างทองก็ให้ผลต้องตกไปอยู่ในโดรวะนรก ไม่ช้านานขึนขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความสุขใจพอพ้นจากนรกนั้นก็มาเกิดเป็นลูกลาถูกเขาตอนนี่คนเจ้าชู้จะไม่ดีนะเพราะเศษของกรรมที่ยังเหลืออยู่อีกถูกเขาขี่หลังบ้างใช้เทียมรถบ้างนั่นแหละเป็นผลกรรมที่เป็นชู้พัญญาคนอื่น ได้จากชาติที่เป็นลาก็มาเกิดเป็นลิงในป่าถูกลิงฮะถูกลิงนางผูง้ครบลูกอันดับจะร้องเท่าไหร่แกก็ไม่ปล่อยถูกลิงนางฝูก็ถูกลิงตัวเมียนะเขาเป็นนายเป็นหัวหน้าผูงเนะี่ยคอันดะ จ่ร้องเท่าไหร่เอก็ไม่ปล่อยได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสนั่นก็เป็นผลของการที่เป็นชู้ปัญญาคนอื่นญาชาที่เป็นลิงก็มาเกิดเป็นโคผู้เข้าตอนเอาไว้ใช้งานอยู่ชาตินานจากชาติที่เกิดเป็นโคก็มาเกิดเป็นกระเทยในตกูลที่มีความมั่งคั่งกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็แสนยาก มันยากจ ร, จริงๆนั่นก็เป็นผลของการเป็นชู้ฮนะกับพัญญาคนอื่นพอพ้นใจชาติที่เป็นกระเทยไปได้ผลที่ทำไว้เมื่อสมัยเป็นบทคงเศรษฐีมีเพื่อนดีก็เริ่มให้ผลยังได้ไปเกิดเป็นเทพอักษรมีรูปงามนะมีรูปสวยอยู่ในสวรรค์ขั้นดาวดึง ตามที่ดีกราบทูลมันนี้เป็นกรรมที่เราทำและก็เป็นบุญหรือบาปก็ตามย่อมติดตามคุณเราไปทุกทุกชาติไม่มีหยุดทำลงไปแล้วจะต้องได้รับผลของออผลตามลำดับก่อนหลังทุกรายการหมายกว่าไอการทำดีด้วยการทำชั่วเนี่ยมันจะต้องมีผลแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วเวมันต้องเรียงกันเข้ามา ตอนนี้พระพุทธเจ้จายืนยันอีกแล้วสิว่าการละลึกชาติมันม่อยู่เทว ด, ดามีจริงนรกมีจริงเห็นไหมมันไดาา้ญาติโยมพระธบริษัทถ้าเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าโกถูกถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่ยากฝึกทิพทยคุญานปเพนิวาสานุสติยาน และพินยาแบบเบาๆฝึกแบบมโนมยิทธิอย่างนี้สบายมากอ่านประสูสรอ่านชาดกจะมีภาพรู้จิตใจถอยหลังเข้าไปได้เลยเรืสองสบา ย, บายนี่ที่เตือนไว้ก็เพราะว่าเวลานี้คุณนาชีวกรายกดขึ้นมามากายคุยกันต่อไปว่าชายใดปรารถนาที่จะเป็นบุรุษทุกชาติไป ก็อย่าพึงเว้นจากพัญญาคนอื่นนะ่ะก็อย่พึงเว้นการไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาให้เหมือนกับเท้าที่ล้างสะอาดแล้วเว้นการแตะต้องปลื้มตนเชนั้นหญิงใดหวังจะเป็นบรลลุบบุรุษทุกชาติแม้ว่าไม่ก็หญิงใดอยากจะเกิดเป็นผู้ชายทุกชาติฮนะถ้าได้ทําอย่างนี้จงยำเกรงสามี ให้เหมือนกับบาตรบริจาคของพระอินท์จะไมายความีความเคารพสามีเหมือนมีดาฉะนั้นผู้ใดปรารถนาทรัพย์อยากจะมีทรัพย์มากจะมีอายุยืนอยากจะมียศอยากจะมีความสุขก็จงเว้นการบาป ท, ทั้งหลายเสียประพฤติแต่สุจริตธรรมผู้ที่มียศ ทับสมบัติสมบูรณ์ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่เคยสั่งสองความดีไว้ในปางก่อนแล้วทางนั้นสัตว์ทุกเหล่ามีกรรมเป็นของตัวเป็นไปนตามนาจของกรรมที่ตัวเองทำขึ้นเนทรงตัดแบบนี้แม้สวยจริงๆทรงตัดต่อไปว่าข้าแต่พระชนกรงยังได้ทรงถือถ้อยคำของคนเปลือยกาย คือคนแก้ผ่าผู้มีความเห็นผิดหมายที่ว่าคนโง่เง่าเต่าตุต่นนั่นเลยโลกนี้มีโลกหน้าก็มีสัมมาทิามมีขนความดีขง ค, ความชั่วมีขอพระองค์จงเชื่อถ้อยคำกัญญาณมิตคือคนดีเช่นหม่อมฉันกล่าวเถิดพเจ้าค่ะ เป็นนั้นว่าเมื่อพระ น, นารูจาราชกุมารีกราบทูลถึงอย่างนี้แต่ว่าตั้งแต่เช้าตลอดคืนโอ้โหสอนพ่อลาบากนะลูกสอนพ่อในลาบากเพราะพ่อทันทีว่าท่านอาบน้ําร้อนมาก่อนแต่งเกิดมาก่อนดีไม่ดีเด็กสมัยนี้ก็ไม่ว่าอย่างนั้นพ่อแม่จะไปสอนพระพ่อแม่ไม่เห็นไม่มีปัญญา แต่เขามีปริญาบอกนี่พ่อแม่จะมาสอน่านทนะเพราะพ่อแม่มีความรู้ต่ํากว่าฉันแน่เราว่ากันไปตามเรื่องของท่านกล่าวต่อว่าเมื่อพุทธ น, นานุจาราชกุ ม, มารีทูลอย่างนี้ท่านในตลอดขืนก็ไม่สามารถจะเปลื้งจะปลดเรื่องความเห็นเขาพระราชวินดาให้พน้นแกความเป็น พว้เห็นผิดได้ไม่ใชาทิฏฐิเราเห็นผิดถึงแม้จางนั้นนางก็ไม่ไมละความพยายามนางดำริจะหาช่องทางต่อไปอีกจะต้องหาบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำความนี้ให้สำเร็จให้ได้ให้สงเคราะห์อพ่อไปการกระตันยูนะจึงเบ่ดคอเจะรีแล้วตั้งอดิฐานว่าถ้าเทพยันดาฟ้าดินมีอยู่ ก็ขอให้โปรดมาช่วยเปรื้องมิจฉาทิฐิของพระมหาชนกในเถิดจะได้เกิดความสวัสดีแก่สาคนรกแหมนี่ความจริงท่านระลึกชาติได้คนที่ระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กการติดต่อเทวดาติดต่อกับพรหมติดต่อนรกสวรรค์มันก็เลยง่ายๆแต่าาการระลึกชาติได้เป็นของยากอันนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงยืนยัน ว่าแม้แต่พระนารุจาราชกุมารีท้าเป็นลูกของพระราชาที่มีความสุขน่าจะมัวเมาอยู่ในความบันเทิงก็ยังสามารถทำจิตของตนให้เข้าถึงปุเพนิวาสานุสติญาณได้โอ้ยน่าฟังนะอย่นี้ถ้าเป็นพระทำไม่ได้ก็ต้องคิดนะถ้าอยาวบ้านเขาทำได้แต่พระทำไม่ได้เนี่ก็ต้องคิด แต่เขาถ้าเป็นพระอย่างคุณนายชีวกก็ไม่แปลกไม่แปลกไม่ต้องไปคิดก็โปเปยตานังก็มันไม่มีผลก็หมดเรื่องถ้าคุยกันไปข้างนั้นมีพรามณ์มีพราหมเทวดาองค์หนึ่งที่วันนาราทะค่ อ, อยๆหนังเสือดันเสือเขียว่าพราหมณ์มีพรอมองค์หนึ่งที่วันนาราทะแล้วพราหม์ที่ไปเป็นเนทวดาก็ได้นะ เจ้านาระเป็นผู้มั่นอยู่ในเมตตาคุณนานิตรมพรหมเยาวพรามคอยหาโอกาสที่ให้ความอุปการะาท่านดีจริงๆนะถ้าท่านบนนี้ไปจากพรามเกื้อกูลแกผู้อื่นอยู่เสมอวัอนนั้นเห็นว่าพระ น, นารุจาราชกุมารีกำลังจะพยายามทำความดีอย่างยิ่ง ก็คือการกระตันอยู่กับบินดาหให้บินดาเข้าใจถูกควรที่จะช่วยเหลือให้สำเร็จรวมไปนารทธาดาบทนี่ก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองคนอื่นไม่มีใครสามารถที่จะปรดเรื่องความเห็นผิดของพระเจ้าอังคดีราชได้ท่านจึงได้ทรงแปลงเพศเป็นบรรมชิตเอาพระนะใส่สลกข้างหนึ่ง คนโทร น, น้ำแก้วประพานอีกขั้นหนึ่งแสวยเช่นด้วยใส่คานทองคำงามแล้วก็มีงอนสวยวางเหนือบ่าหอะมาโดยเร็วตรงก็ไปสู่จันทระสศาสตร์อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอังคติราชแล้วก็ยืนอยู่ณนะอากาศเบื้องต่อหน้าพระพักของพระราชา ยืนลอยยืนลอยในอากาศให้พระราชามองเห็นเล่งโกโก้ท่นนารุจาราชกุมาลีเห็นท่านนารัฐมาดังนั้นจึงได้ลงมาในมัชิการสมพระเจ้าอังคติราชพอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงตะลึงไม่อาจจะประทับอยู่มรชาชอาณาจได้จึงสเสด็จลงมาประทับ ยืนอยู่บรพื้นแล้วแต่ถามว่าท่านมีวรณะงามสว่างจ้าฮะสองแสงสว่างเจ้ารากระเพะจนในวันเพ็ญอันนี้ท่านมาจากไหนกันท่านนารถกระตอาวว่าอาตมาภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้มีนามว่านารถอืมเอาข้อแ้วสิ แล้วก็พระราชายังถามว่าการที่ท่านเยืนอยู่เมอกาเช่นนั้นมันน่าสัจจริงๆทนรัต t ขอถามท่านสักหน่อยเถอะว่าเหตุใดท่านยังมีฤทธิ์เช่นนี้นัน่นแสงสัยสงสัยอาจารย์สอนมาเทวดาไม่มีนี่แอบมามีได้ท่านารัตะเจเนทุลว่าอาตมาภาพได้บำเพ็ญคุณสี่ประการไว้ ในช่ายก่อนคืนหนึ่งสัจจะความจริงความจริงนี้ต้องดีจริงนะไม่ใช่เลวจริงนสัจจะความจริงจริงทุกอย่างในด้านของความดีสองธรรมะคือทรงความดีไว้เป็นปกติสามธรรมะการข่มใจไม่รู้อานาจกับความชั่วสี่จาคะบริจาคทานอยู่เป็นนิส จึงมีฤทธิ์เดชจะไปไหนได้ตามความปรารถนาเร็วทันใจแม่ตอบสวยตอบสวยมากพระราชาที่ทรงตัดถามต่อไปว่าบุญมีหรือท่านมาบุญญาฤทธิ์ที่ท่านบอกว่าน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นจริงอย่างอย่างอย่างทานว่าข้าพเจ้าอยากจะขอถามบ้างว่าโปรดช่วยชี้แจงข้าพเจ้าเดช น่ทักสงสัยว่าเอออจารย์คุณนาคีว่าบุญไม่มีเทวดาไม่มีโลกหน้าไม่มีสุขุกไม่มีเกิดแปลทิบสี่กลับก็บริสุทธิ์แต่ท่านนารทธมายันยืนต่อหน้าเนี่ยมันยุง่งท่านนารทธจะได้กล่าวว่าขอถวายพระอรพระองค์ทรงสงสัยข้อใดก็ตรวจถามมา แต่มหาราชาจะไตัดว่าข้าแต่ทานาระท่าเขาพูดกันว่ามีเทวดามีวิดามันดามีโลกนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงเลยครับท่านาระทะ่าจะได้กราบถึงตาทูลว่าที่เขาว่านั้นมันมีทุกอย่างแต่ว่านาลชนพูดหลงงมงายเท่านั้นที่เข้าใจว่ามันไม่มีโอ้โหจำให้ดีนาโยมนะ แต่ไม่ดีนะที่ก็ว่าเทวดาไม่มีโลกหน้าไม่มีท่านนารถพรมท่านบอกว่าโู้นั้นมีความโง่งมงายที่พูดแบบนั้นประราชาจะได้ตัดว่าข้าแต่ธ น, นารถถ้าท่านเชื่อ ว, ว่าโลกหน้ามีจริงผู้ที่ตายไปแล้วมีที่อยู่นั่นสะินะเพรา ะ, ะนนคนที่ตายไปแล้วก็มีที่อยู่ ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะขอยืมทรัพย์ท่านไว้ใช้ในโลกนี้สักห้าร้อยเถิดนะเมื่อถึงเวลาเมื่อเมื่อถึงโลกหน้าเมื่อไปถึงโลกหน้าแล้วข้าพเจ้าจะให้หนึ่งพันแะน่แน่เอ า, าที่ถ้โลกหน้ามีจริงนะฉันขอยืมสตังค์ห้าห้าร้อยแต่ว่าต่อไปเมื่อถึงเวลาไปถึงโลกหน้าแล้วฉันจะให้หนึ่งพันให้กําไรเท่าตัวเป็นดอกเบีย้ย ฟังท่านนาราธาท่านตอบท่านนาราธากล่าวว่าถ้าธรรมาภาพรู้ว่าพระองค์มีศีลจะทรงนำทรัพย์ไปเพื่อประโยชน์อะไรจะทรงนำทรัพย์ไปทำประโยชน์อาตมาภาพจะให้ยืมสักห้าร้อยแต่นี่พระองค์ไม่มีศีลจุติจะโลกนี้แล้วไปแล้วนะก็ไม่คร้วที่จะไปนรก ใครจะไปตามทวงทรัพย์พันหนึ่งนันนรกได้อเอาราสิพอเล่าแล้วกูนใดไม่มีศีลโอโหสกุลนี่นก็ตันตอบสวยไม่มีศีลไม่มีธรรมทำแต่ความชั่วเยียดร้านในความดีโลกนี้บัณฑิตทั้งหลายก็ย่อมจะไม่ยอมให้กู้นี้ยืมศีลเพราะว่าไม่ได้คืนจากคนเหล่านั้น ส่วนผู้กยันมันเพียนทำกิจการงานมีศีลมีธรรมเขาก็ย่อมจะเอาทรัพ์มาเชื่อเชิญไปเองเพราะมองเห็นว่าจะได้คืนโอ้โหตายนิดไั้ยาวไหมในเวลาหนึ่งนาทีเป็นนั้นว่าพระเจ้าอังคติราชหมดปฏิพานที่จะโตตอบแต่ก็ยังไม่ทรงคลายมิจฉาทิฐิความเห็นผิด ท่านนาลาทัาจในกล่าวต่อว่าต่อไปว่าถ้าพระองค์ยังไม่ทรงระมิชาดิธีก็จะเสด็จไปสู่นรกซึ่งเต็มไปได้วยความทุกเขเวทนาเมื่อพระองค์จากนรกไปแล้วก็จะพบพระองค์เองว่าฝูงแรงฝูงกายและสุนัขถอดข่ามากินศีรษะขาดเป็นชิ้นชิ้นน้อยแต่ทิ้งใหญ่มีเลือดไหลนอง ใครจะไปทวงทรัพย์ในนรกนั้นได้ถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดในที่นั้นก็จะต้องไปเกิดในโลกันตา น, นรกเมื่อติดไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์จะส่งถึงหากลางคืนหากลางวันมีได้ใครจะไปทวงทรัพย์ในโลกในโลกนต น, นรกนันได้โอ้โหไม่กล้าไปนี่ก็ไม่เก่งจริงที่นะ ไม่กล้าไปทุนลงทวงในโลกนรกธรรมดาไม่กล้าไปทวงในโลกกัณฑนรกท่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วนะแม้ถ้อยคำํำท่ากล่าวกันเพราะจริงๆหวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงคงจะค้นสงสัยและสวรรค์ น, นรกนะใครก็ว่าเทวดามีไม่มีถ้าไม่มีก็โดูตัวอย่างนี้คุณนาชีวก ท่านบราชาท่านนี้เป็นุสิตชนิเดียวอย่างยุ่งอวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บุญผลยงมีแด่บรรดาญาโยมพุทธศาสนาิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี